208นิยายของโลกจึงเป็นแค่ฝันของคนผู้ปุถุชนคิตาปะโทสิกะหมายถึงจิตของปุถุชนผู้ยังหลงอยู่กับฝันอันเป็นความสนุกเรื่อนเริงที่แสวงหาความสนุกเรื่อนเริงกันอยู่ ก็ยังคงเป็นปุถุชนผู้หลงฝันเป็นความจริงก็เสพฝันนี้แหละจริงอยู่นิยายทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายช่วยกันสร้างจึงเป็นความจริงจริงๆของคนฝันทั้งตอนเป็นและตอนตายนิยายของเทวดาขิดทาปโทศิกะจึงได้แก่ปุถุชนที่หลงฝันอยู่กับวัดทุนิยม ผู้งม ง, งายอยู่กับความอร่อยอร่อยสนุกสนานเพลดิดเพลินให้เป็นโทสะไม่ใช่คุณเลยแกตนไปตลอดกาลละนานเป็นผู้หลงจริงอยู่กับนิยายของโลกเพราะจิตยังมีอุปาทานว่าจริงส่วนเทวดามโนปโทศิกาก็ได้แก่ปุถุชนที่หลงฝันอยู่กับจิตนิยม เจงองมงายอยู่กับความจริงที่ยังมิฉาทิฐิเพ่งโทสะการมุ่งร้ายกันลำบากายลำบากใจกันอยู่แม้จะออกปฏิบัติธรรมได้ผลธรรมบ้างก็ยังเต็มไปด้วยอุ ป, ปาทานไม่ลดละคือยังยึดทิฐิเป็นตนอยู่นั่นแหละทิฏฐุ ป, ปาทาน หรื อ, อยังยึดกามเป็นตนในปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวกาโุปาทานยึดศีพลพธิที่มิถิใช้ทิฏฐิอยู่กันตลอดศีลประตูปาทานอัตมาจะพูดเท่าไหร่เมจะเข้าใจก็ยังยึดศีพลพธิที่ตนทาผิดๆนั้นอยู่ยิ่งความเป็นอัตตาแล้วยิ่งยึดได้แค่วาทะแค่พูดกันไปว่า อัตตาอัตอตาตาแต่แท้จริงยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอัตตาที่เป็นปรมัติธรรมอะไรหรอกจึงยังไม่ไวยที่จะเพ่งโทษการมุ่งร้ายกันก็ลำบากกายลำบากใจอยู่อยู่กับอุปาทานก็ยังคงมีอัตตาอาวจรอยู่ในโลก ช่วยกันฝันใส่รูปภาวจออรูปราวาจรต่างสร้างนิยายใส่โลกกันไปนับเรื่องไม่ได้ล้วนสรรหาให้เผ็ดเผ็ดมันมันกันอยู่ในโลกเต็มโลกแล้วก็จมฝันกันไป